ขอความสุขความเจริญจุมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่ลมปปุตติยานได้นำเสนอเรื่องสมาธิตลอดทั้งองค์แห่งสมาธิมาตามลำดับท่านกวางอาจจะข้องใจสงสัยว่าทำไมเน้นที่สมาธิจุมากเพราะว่ากระามหลักความเป็นจริงแล้วในโลกเนี่ยมีความม็นอยู่สองกลุ่มนั่นเองคือกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิ แปว่าปัญญาเน้นชอบกำความเป็นจริงกุ่มหนึ่งก็เป็นวิชาทิฏฐินันเป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากปัญญากับอวิชชาหรือวิชากับอวิชชาหรือพูดว่าโมหกะกับโมหะก็ได้นะแล้วนั้นก็เป็นกระบวนการทางจิตที่ออกมาเป็นพฤติกรรมในด้านต่างต่างก็ว่ากันไปโดยวิจิตพิสดารแต่ในที่นี้อยากจะนาไปมองอีกมุมหนึ่ง คือมุมที่ว่าผลของผลรวมของสมาธทิฏินะที่จริงมันออกเป็นธรรมกายานะไปแล้วนะคือความรู้ในทางที่ชอบมันเป็นอาการของปัญญาที่สมบูรณ์หรือว่าวิชาที่สมบูรณ์ภาษาบาลีนี่ใช้เยอะจนะในธรรมจักรวัตนสูตรท่รงใช้เขา่าจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างก็ใช้อยู่ห้าคำแล้วก็ในช่วงต้นก็ทรงใช้นะฮะจากขุกรณีญานากรณี แล้วก็อภินยาญาสัมโบธายะก็หมายถึงพวกสมาญานะเหมือนกันคือความรู้ในทางที่ชอบมันเกิดขึ้นแล้วจะทำลายตัวอวิชชาให้หมดไปสิ้นไปในที่สุดทีนี้ผลจากการทำลายอาวิชชาเนี่ยมันทาให้กิเลสประเภทต่างๆซึ่งที่จริงก็มีรากงาวมาจากอาวิชชาก็ถูกทำลายไปโดยลำดับ แล้วที่ทาลายได้เด็ดขาดเนี่ยคือทําให้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆทีาเรียกว่าสังโยชนิประการกรรมสังโยชน์นั้นที่จริงก็เป็นกิเลสระดับตะกอนใจนะคือมันอยู่ข้างล่างมันก็ผูกใจสัตว์ไว้ใล้ายๆกับตะกอนที่อยู่ตอนก้นภาชนะคือถ้าไม่มีใครไปเขย่าอะไรแรงๆมันไม่ขึ้นมาแต่เวลาขึ้นมาเนี่ยเขาไม่เรียกสังโยชน์อาจจะเรียกว่าอุปกิเลสอาจจะเรียกว่านิวรณ์นะ คือจะไม่ได้สังโยชน์เพราะสังสังโยชน์จะเรียกอยู่ตอนที่อยู่ระดับล่างเพราะนันเราจะเห็นว่าเวลาพูดถึงกิเลสเนี่ยมันเรียงเป็นสามระดับหยาบหยาบนะเรียกเป็นสามระดับดใหญ่ครับหนึ่งเป็นกิเลสที่ล้นออกมาข้างนอกมันแสดงปรากฏออกมาเป็นกายเป็นวาจาไปกระทบคนอื่นไปแล้วอ่ากระทบเกิดชีวิตกระทบทรัพย์สินกระทบขู่ครองกระท บ, บการรับฟังข้อมูล ข, าาข่าวสารกองบุคคลอื่นไปแล้ว คนนี้ท่านก็แก้ไว้ด้วยศีลเกิศีลไปคุมไว้ศีลมันก็เหมือนกับทำนบน่ะเหมือนกับเขื่อนบางทีเราเรียกมันญาติมันญาติที่จริงเป็นชื่อของขันนานะหมายความว่ามันเป็นเขตแดนที่กั้นเป็นกรอบที่กั้นคนเอาไว้ให้อยู่กับที่กระทางหรือกระร่องกระรอยไม่เตลิดออกไปนอกเรื่องนอกราวไป แล้วก็กิเลสติประเพศเกิดขึ้นรุ่มรุมใจนะฮะบางครั้งเราอาจเรียกโอปกิเลสแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกวันนิวรออ์เพระโอปกิเลสมันมีอยู่สิบหกบ้างนะฮะมีอยู่สามบ้างก็แล้วแต่จะส่งแสดงโดยประยายในแต่ว่ามันเวลาเกิดขึ้นรุ่มรุมใจเนี่ยท่านจะมักจะเรียกวันนิวนร์วปริวัตปริยุทธานกิเลสคือกิเลสจะเกิดขึ้นรุ่มรุมใจที่จริงก็คืออาการของโรคปวดหลงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่แรงจนถึงกับล้นออกมาข้างนอก มันเป็นความคิดแล้วก็เผารวนจิตของบุคคลให้แปรผันไปตามแรงของมันแต่ส่วนสังโยชน์นั้นเป็นตะกอนนะะอย่างที่ว่ามันอยู่ข้างล่างพอมีแรงมากระแทกมันก็มีทําปฏิกิริยาต่ออารมณ์พอขึ้นมารับอารมณ์ก็ไม่เรียกแล้วเรียกสังโยชน์อ่ะก็จะเรียกอย่างอื่นคือเรียกตามอาการที่มันปรากฏก็ปรากฏแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ อ, ออกมาเป็นรูปนิวรณ์กับรูปกิเลสดังกล่าวทีนี้ในที่นี้จะพูดถึงกิเลส ที่เราก็คงจะไม่ถึงกับไปตัดด้วยมรรคเพรเราก็ยังไม่สามารถสร้างมากให้บังเกิดได้แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือว่าปัญหาเรื่องกิเลสเหล่านี้ที่สร้างความสับสนวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราหรือทายังไงว่าจะข่มมันได้คือบรรเทามันได้คำสอนในแนวนี้บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงสอนในแนวที่มันเหมือนกับเป็นเก้าอี้นิรภัย ทรเรียกว่าอาปศเสณธรรมหรือธรรมะที่เหมือนกับพนักอิงให้บุคคลเนี่ยอยู่อย่างปลอดเวรปลอดภัยปลอดอันตรายทั้งหลายในชช้นนี้ก็ใช้ปัญญานำหมายความปัญญานั้นไม่ได้จอดสองที่อื่นนะอสองที่ใจเราอสอบที่ตัวเราวันก่อนนี่ได้ยินอะไรอะดาราคนหนึ่งก็สัมภาษณ์ที่ จะเกิดอุบัติเหตุเพราะรถปิกอัพจะชนเอาเนี่ยฮะคือเป็นคนที่อ่อนไหวก็สารภาพว่าเขาอ่อนไหวเวลาอะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยุติธรรมเนี่ยมันจะทนไม่ ไ, ได้วันนั้นก็ต้องการจะลงไปเตือนว่าอย่าไปจอดรถที่โค้งอย่างนั้นมันจะเกิดอันตรายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ ก็อย่างนั้นแหละมันก็ดีแต่ว่ามันต้องดูกาลเทศะนะคือปัญหาว่าการกระทาบางอย่างเนี่ยดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าต้องดูกาลเทศะถ้าเกิดด้วยกุศลเจตนานแล้วก็ดีแต่ว่าการกระทาความดีเนี่ยมันเหมือนก็บพูดความจริงนะพูดสัจจะไป็นความจริงเนี่ยมันจะต้องมองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีไหมมีประโยชน์ไหมเป็นธรรมไหมแล้วคนฟังจะมีความรู้สึกอย่างไง แต่ถ้ามันเป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องจริงคนฟังอาจจะไม่ชอบใจก็ได้แต่ว่ามันถึงข่าวจะพูดก็ต้องพูดคุณไปสนใจคนมากมันก็ไม่ได้มันกันนะฮะก็พูดอะไรกันไม่ได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีประโยชน์ถ้าผู้ฟังชอบใจด้วยก็ดีนะฮะผู้ฟังไม่ชอบใจก็ไม่ดี แต่ว่าถ้ามองผลประโยชน์ใหญ่เนี่ยเราไปสนใจเรื่องคนชอบหรือไม่ชอบไม่ได้มันเรื่องส่วนตัวนะในเรื่องความถูกต้องนั้นเป็นเรื่องใหญ่อย่างวันก่อนเนี่ยมีที่เขาออกรายการตามหาแกนธทำก็มีดรรุร่งที่พระแล้วก็มีดรเจิมศักดิ์อะไรก็อะไรเนี่ยจะมีพระโทรเข้ามาแล้วก็มีโยมก็แสดงความไม่พอใจนะฮะ บางคนก็ไม่พอใจพระบางคนก็ไม่พอใจดรรุ่งบางคนไม่พอใจดรเจิมศักด์เลก็ว่ากันไปก็พูดกันไปเราจะเห็นว่าที่ไม่ชอบเนี่ยรู้สึกว่าสลดใจมันไม่ถึงก็ไม่ชอบเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ชอบอะไรใครแต่เรารู้สึกสลดใจว่มือขนาดนั้นแหละไม่ควรจะพูดอย่างนี้คือพูดเหมือนคนอื่นโง่หมดอ่านกฎหมายไม่ออกดรเจิมศักด์เนี่ยชอบพูดบ่อยพารานอยอะไรแต่อะเนี่ยจะด่าคนอื่นเขาบ่อย ตัวเองก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะฮะไม่ได้เก่งอะไรหรอกคือถ้าเราฟังให um ้ดีด็เตอร์โจมสากไม่ได้เก่งอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าคนไปชื่นชมกับความเป็นดเตอร์แล้วแกก็หลงความเป็นด็เตอร์ของแกแกนึกว่าแกเก่งหมดทุกเรื่องแล้วเราลองสังเกตเราตั้งแต่มองต่างมุมมาเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องศาสนาแล้วก็หาเรื่องด่ากระทบแล้วก็ยืมปากคนอื่นให้ด่าศาสนา ะเราสังเกตตอนไหนก็ได้นะดูแกนทำอ่ะดูวิธีคิดของดรเจิมสกักเราจะเห็นว่าไม่มีความสร้างสารรค์อะไรแต่มันยกตนข่มท่านนั่นเลยว่าไม่สุดจริตอ่ะทําไมไม่สุดจริตละ่ะเธอเป็นทั้งมุติสภาเธอเป็นดรเตอร์เป็นอาจารย์สอนม า, าไม่ไรแต่พฤติกรรมมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสุดจริตคือความจริงใจที่จะทําหรือว่าที่ดรตอร์รุ่งพูดถึงว่า ไม่ได้ไปโอนทรัพย์สินขวนประสาทศาสนามาสังกัดคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมันนี้ก็เท็จนะนะคือเวีานี้นนะนไปย้ายเปลี่ยนมาตราเมื่อก่อนมาอยู่ที่มาตราที่หกสิบสามแล้วก็ย้ายมาตรานะะก็ยังอยู่ไปเลยนียังอยู่หมดเลยที่พูดจะแก้จะแก้ไขต่างๆที่ส่งไปที่รัฐมนตรีวันก่อนเนะี่ยมันรู้สึ ก, ก ว, วันที่ยี่สิบยี่สิบเมษานนะฮะ ที่กรมประชาธมพันธ์เนี่ยมอบให้ด็ตอร์กรเกษมอะไรละ่ะไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบไปแล้วเออมอบไปแล้วแล้วไป workshop ไปสัมมนาเชิงปฏิวัติการทําไมที่เชียงใหม่ ก, ก็ยังนึกไม่ออกนะไอ้ที่คือมันไม่สุจริตอะแล้วก็บอกชัดเจนว่ายโยนเผือกร้อนไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วซนะบประโซก็หมด สถานะที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วไปแล้วแล้วเราไปไประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการทําไมอันนี้คือปัญหาปัญหาที่ว่ามันเกิดขัดแย้งกันเพราะฉะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถามมาพูดแล้วดรเจมสรรค์ชอบไหมไม่ชอบหรอกลูกน้องดรจมสรรค์ชอบไหมก็ไม่ชอบดรรุ่งชอบไหมก็ไม่ชอบหรอกแต่วันนี้คือเรื่องบ้านเมืองมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะ ที่จะทําอะไรไปตามอําเภอใจในชตาติบ้านนี้เมือง น, นี้นะะเราก็เป็นคนในแผ่นดินนี้เหมือนกันแล้วก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่าเทียมกันมันไม่ใช่ว่าถ้าด็อกเตอร์แล้วก็ตั้งเหนือมนุษย์จะชีนําอะไรสังคมได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะในการการการมองปัญหาเหล่าเนี้ยในแนวจริง ๆ, ๆเขาจะมองไปที่ประโยชน์ประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการพูดจากการแส ด, แดงจากการกระทํา ถึงบางทีเนี่ยมันเหมือนกับขันติเนี่ยเราไม่จำต้องอดกัน้นอดทนทั้งหมดนะครัขันตีก็อดทนในสี่เรื่องแั่เด็ก็สอนอดทนในสี่เรื่องแต่นั้นเองเพาะเรื่องบางเรื่องเนอดทนไม่ได้ไปปล่อยประละเลยไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้นะร่างอย่างเราอยู่ในวัดแต่ไปเจอที่สกปรกอะไรแต่อะไรก็อดทนเอาหมดเนี่ยมันไม่ได้แล้ว <Okey> มันเรื่องจะต้องพูดก็ต้องพู ด, พดถึงชี้แจงแล้ชี้แจงอาจจะดุก็ดุก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะ เพราะนแต่นนการสอนอดทนเนี่ยจะอดทนแค่สี่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความไมปริแปรปวนของธรรมชาติซึ่งเราอยู่ตรงนั้นเราต้องทนให้ได้สองความเหนื่อยญาติในการปวัติภารกิจการงานต่างๆสามทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียดสี่นี่คือลักษณะอารมณ์ที่ยั่วยุยุ่วยวนคือกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะนี่นต้องข่มใจเอาชนะอารมณ์เหล่า น, นั้นให้ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอดทนทุกเรื่องทุกกรณีไปในกรณีใดาที่อดทนแล้วมันเกิดผลเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาก็อดทนในเรื่องนั้นแต่อดทนไปแล้วมันเป็นความสูญเสียไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาก็าไม่ควรจะอดทนในเรื่องเหล่านั้นบางการว่าธรรมะมันก็มีปัญญาเข้ากำกับทีนี้การมองสังโยชน์ที่ใจเราอย่าไป ม, มองที่ใจคนอื่นคนที่ใจคนอื่นนั้นก็มีปัญหา แต่ถ้าเขาแส ด, แดงออกมาและมันมีผลกระทบนะอย่างที่พระเรามีการสัมมนามีอะไรแต่ไรกันเมื่อวันที่สิบห้าพฤษภาคมเนี่ยเราก็มีการสัมมนากันแล้วก็วันที่ยนะี่สิบรายการธรรมร่วมสมัยเขาก็สัมมนาแล้วก็พวกมหาป ร, ริญญาเนี่ยจะเป็นตัวเป็นหลักก็เป็นนักกฎหมายก็จบนิติศาสตร์จบเนยจบอะไรกันมีกันดังนั้นนะนะ คือไม่ใช่รู้กฎหมายเฉพาะด็อกเตอร์จำศักดิ์คนเดียวหรอกคนอื่นเขาก็รู้นะเยอะเล บ, บ้านเรารู้รู้กฎหมายเยอะไปพระก็รู้นะฮะก็เคยเรียนมามันไม่ใช่ว่าในมึนจดนึนนึกจะพูดเอาและในกรณีของปัญหาการไปรูปการศึกษาโดยเฉพาะคณะกรรมการชุดที่สี่เนี่ยพระเป็นคนพูดคนแสดงเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน ไม่ใช่ชาวบ้านไปหลอกพระหรอกพระเป็นคนแสดงถ้าเป็นคนฟังพระเป็นคนศึกษาติดตามมาแล้วมาอ่านแล้วมาเป็นคนเขียนหนังสือเองอันนี้คือเรามองมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมถามว่าพวกนี้ชอบใจมากก็ไม่ชอบหรอกนะคนต้องเชียร์เขาเพราะเขาถือว่าเขาเป็นศูนย์ของความถูกต้องเนี่ยใครเชียร์เขาก็กเอาหนังสือไปพิมพ ยกย่องเชิญชมกันแต่คุณทำบิดก็เขาก็ไม่พิมพ์ให้ก่อนตมาเาก็ไม่พิมพ์ให้ ก, รรก็จะคุณทำมากิจดเชียเขียนเชียเขาก็พิมพ์ให้แอ้เรื่องคือคืออะไรอ่ะมันไม่ยุติธรรมเพราะเต้องการให้ข้อมูลเราต้องให้ทุกแง่ทุกมุมไม่ใชใ่เลือกให้เฉพาะที่ว่าเข้ากติตรองตัวเองมันเป็นความคิดที่ยังเป็นแนวพาเด็ดการ เพราะการตรวจสอบดูจิตเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้มันก็ตรวจดูจิตว่าเธอเป็นธรรมหรือเปล่าแล้วเธอเธอคิดเนี่ยเธอยุติไดธรรมแล้วก็สุจริตหรือเปล่ า, เ, ลาเพราะว่าเงินที่เอามาพิมพ์หนังสื อ, น 35, อเนี่ยตั้งถหลายสามหมื่นห้าพันคัพปี้หลายแสน น, นะนะแล้วราชการพิมพ์รั่วก็พิมพ์หลายแสนมันเป็นงบประมาณของแผ่นดิน เ, นเป็นภาษีของราษฎร แล้วทำไมเธอเลือกเผยแพร่จะที่เข the mm so so ้าวกับความเห็นของเธอละแล้วทำไมไม่ไม่ไม่เสนอแง่มุมอื่นที่เขาทุ่งจริงมาล่ะคือถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยจะเป็นประชาพิจารณ์จะเป็นอะไรก็ตามมันก็ต้องออกมาทุกอย่างคนเราจึงต้องตรวจสอบดูจิตเรื่องแนวทางตรวจสอบดูจิตเนี่ยก็ที่จริงเวลาสอนเป็รูปธรรมเช่นจะต้องตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตน เอาชนะตนเป็นการดีอะไรต่างๆก็คือการตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ไปตรวจสอบที่คนอื่นแนวของธรรมะหลักในพุทธศาสนานั้นที่จริงแล้วก็ตรวจสอบที่ตัวเอง แ, แก้ไขปรับปรุงที่ตัวเองแต่ว่าคนเรามันชอบตรวจสอบคนอื่นนะชอบจับผิดคนอื่นแล้วแก้ไขแต่แตนเองจะเป็นสูงย์ของความถูกต้องอันนี้เรื่องน่าสนุกน่าสนุกในสังคมเราเนี่ยจึงคนดีเยอะนะฮะ แต่มันถูกทำลายปนปี้หมดไลยไหนใครโผล่ขึ้นมาไม่ได้นะคนดีไม่ได้คนด ไ, ไ ด, คนด้ไม่ดีเนะี่ยคือสังคมคนดีจะถูกทำลายโตขึ้นมาแล้วก็ถูกทำลายแล้วต้องตปไหนแต่ไรามานะฮะเห็นผีบ้าผีบุญอะไรอะไรทั้งหลายบางคนบอเด่นมันก็กลายเป็นผีบ้าผีบุญเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นอะไรอะไรก็ทำลายกันมาเรื่อยๆนั่นคือเราขาดการตรวจสอบใจเราว่าเราคิดยังไงอะคิดชอบหรือเปล่าตรงนั้นนะ พระแม่ตัวนี้สอสนว่าพิจารณาแล้วเสพของอย่างเด่งสำนวนบาลีหน่อยนะฮะหมายความพิจารณาถึงปัจจัยสีเนี่ยแล้วก็บริเพียงแค่สอยปัจจัยสีเราจะลองสังเกตว่าโลกเนี่ยมันมีปัญหาเรงปัจจัยสีตลอดเิงกว่าทุกขณะปัญหาเศรษฐกิจพูดเมื่อไหร่ก็ถูกไมน่นด้นะแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณา ในการแสวงหาในการครอบครองในการบริโภคใช้สอยในการจําหน่ายจ่ายแจกแะอะไรต่างๆเนี่ยคือมองมาทั้งระบบอ่ะจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องมากขนาดนั้นนะแต่เด็กสมัยนี้พูดยากจั ง, งนะคือเราจะพยายามเตือนเธอเรื่องอาหารใหญ่มากเลยมันไม่จําเป็นอะไรหรอกแล้วเธอกินอยู่รูหรามา้างซื้อหาอะไรตร่ะไยอะเลย แล้วบางทีเนี่ยเด็กก็ามาจากป้า น, นอกไม่กี่วันเนี่ยพ่อแม่ทํานาไถนาอยู่เนี่ยไปกินของพัตคาลนะฮะไป ก, กินของห้างสรรพสินค้าไปซื้อของห้างสรรพสินค้าไปซื้อเซเว่นอีเรเว่นอะรแต่ไหนยังนึกยังนึกเป็นห่วงว่าเด็กต่อไปเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเพราฉนั้นถ้าเราพิจารณาให้ดีว่าปัจเจียนี่ยที่จริงมันเป็นเครื่องอาศัยเฉยๆมันไม่ใช่ตัวชีวิตหรอก คือถ้าเราบรรเทาความอยากในปัจเจศศียกอยากรู้ราผู้ฝ่าพุ่มเฟื่อยอะไรต่ตางๆลงไปเนี่ยเราจะลดอะไรได้เยอะเลยมันก่อนได้ฟังรายงานข่าวที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ประเทศฟิลิปปินส์นะก็มีวิทยากรเขาก็ถามสักถามอะไรแต่างๆก็แสดงว่าเออเขาก็ดีนะก็ก็ประหยัดปั๊บเปอร์ต่างๆที่ย่อ่โตเบ้อเบ้า อ, อย่างบ้านเราเนี่ยไม่มี ทำเป็นแผ่นเล็กๆแล้วก็ทำด้วยกระดาษปู้ปุ้ยนะฮะ่ะประหยัดกันปัจเจศสี่นี่ยที่จริงถ้าเรามองถึงเจตนารมณ์ของปัจเจศสีแล้วเนี่ยมันต้องการป้องกันปัญหาได้ไหมบรรเท่าปัญหาได้ไหมแล้วก็สามารถครองชีวิตอยูโดยปกติสุขได้ไหมถ้าได้แล้วก็พอแล้วน ะ, ะเพื่อสเปดประโยชน์เอาแต่ต้องคิดต้องพิจารณา มันไปปะทะกระแรงมันตัณหาคือจิตใจที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆเนี่ยแต่หากว่าเราไม่ใช่ปัญญาพิจารณาแล้วนี่จะคุมใจตรงนี้ยากอีกนหนึ่งพิจารณาและอดกั้นอย่างที่บอกไว้ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่อดกั้นอดทนเอาไว้แล้วมันตะเบิดหมดในะโลกเนี่ยคนมันระเบิดไปหมด ที่จะต้องอดกรนอดทนตรอร่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบปรากฏการณ์ต่างๆธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็มีลักษณะเสียดแทงก็ดีการแบบภารกิจการงานที่ประสบกับความเหนื่อยยากลำบากทุกทรมานก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนร่างกายเรามันเป็นรังของโรคนะฮะคือท่อะไรมันก็ถูกมันนั้นนะก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงอะ่ะก็อยู่กันมาอย่างนี้ คนไทยเราก็ห่วงใหญ่ในสุขภาพกันทำให้สบายดีสุขภาพเป็นไดแต่าใรก็ตามอย่างเงี้ยแล้วเราก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะนะฮะอยากจะเป็นก็เป็นไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้ามันบรรเทาลงไปเนี่ยเราก็มีโอกาสทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะตรงนี้ต้องพิจารณาแล้วก็อดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ที่ยั่วยว่น อารมณ์ที่มายั่วยวนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญญาต้องมีกำลังมากพอในการวินิจฉัยอารมณ์ในการตัดสินอารมณ์คือยังนึกถึงว่าบ้านเมืองเราในขณะนี้นะวันก่อนดนะ้รับการนิมนต์ไปประเทศจีนที่จริงไม่อยากไปเขานิมนต์มานานนะต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่วศ .2534 เป็นต้นมาเนี่ยไม่เคยออกนอกประเทศแล้วก็เพิ่งออกไปเมืองจีนเมื่อตอนสองการามน่นะ ไปทำพาสปอร์ตราโอ้โคนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปรู้ตัวเลขที่หลังว่าในช่วงสงกรานต์เท่าวั น, นคนออกไปต่างประเทศสองห้าหมื่นสองพันคนมันเสียได้เงินตราต่างประเทศนั่นคืออะไรคือว่าเราพิจารณาโดยเรียนมันได้ประโยชน์อะไรแล้วถ้าเรามองไปที่ตัวประโยชน์แล้วมันได้อะไรแปล ว, ว่าค้นเงินไปให้เขาทำงานกันด้วยความเหนื่อยยากลําบากค้นเงินไปให้เขา การท่องเที่ยววันก่อนมานั่งอ่านดูการท่องเทีย่ยวโฆษณาการท่องเทีย่ยวเอาเฉพาะแถบอินโดจีนเนี่ยนะอินโดจีนเนี่ยแต่ลาวขาเขมนเวียดนามเนี่ยนะโอ้โหเลทเป็นแสนนั่นนะฮนะตามกําหนดที่เขาว่าไว้แต่ละชุดแต่ละชุดเดินทางนะเป็นเดืนเดือนก็ว่าไปกลับไปกลับกันนะฮะแต่ว่าถ้าไปให้หมดกํารายการตรงนั้นนะก็ว่ากันไปเป็นแสน อันนี้คือคือถามว่ามีความจําเป็นแค่ไหนนะการท่องเที่ยวในเมืองไทยอ่ะท่องเที่ยวหมดหรือเปล่าอาตอมายังนึกตัวเองวันก่อนไปทำโสดประจำเนี่ยมองดูเองว่าไอเรานี่ยเป็นลูกนครนะแต่ไม่รู้จักเมืองนครนะมีตั้งหลายแห่งอ่ะที่ไม่เคยรู้มันอยู่ยังไงไม่เคยไปเลยยังนึกว่าต้องหาโอกาสโอกาสไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดในเมืองเนี่ย เวลาโอกาสไปพิเศษนะคือมาถือว่าไม่เคยเที่ยวนะะคือเป็นคนที่ถือตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่เคยคําว่าเที่ยวคําว่าทัศนาจรคําว่าเที่ยวนี่ไม่มีนอกจากเป็นผลพลอยได้เช่นสมมติว่าเขาในบนไปบรรยายที่เชียงใหม่เวลาว่างอยู่เราก็ขอไปดูตรงนั้นตรงนี้อะไรก่อนจะขึ้นเครื่องบินในอะีรทําอย่างนั้นได้แต่ถ้าไปด้วยเจตนาแล้วไม่เคยไปแล้วก็คิดว่าจะไม่ไปนะ เพียงแต่ว่าในกรณีที่เป็นผลอยได้นยเวลามันว่างอยู่ตั้งอีกสีห้าชั่วโมงะจะขอไปดูตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเนี่ยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสิ้นเปลืองเวลาและก็สิ้นเปลืองเงินทองไปเยอะแล้วนอันนี้คืออารมณ์ยวยุยั่วยวนแล้วก็ ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ในขันติจะต้องมีมากเป็นพิเศษเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่มีโยชูดเวียนมากและพิจารณาแล้วบรรเทาพอพิจารณาแล้วเว้นนะฮะคือบาปอากุศลทั้งหลายความชั่วทั้งหลายนี่พิจารณาเห็นโทษมันชัดเจนนะแล้วพิจารณาแล้วก็งดเว้นจากบาปจากอกุศลจากโทษจากภัยจากอันตรายเหล่านั้นความคิดของเราเรื่องใจโดยเจ็นว่าความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเลยมาจากพวกอนุสัยนะคร แลวว่ากลายเป็นพวกนี้บอนทั้งหลายเนี่ยมีบางเรื่องที่คิดแล้วไม่ถามมาคิดไปทําอะไรคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรนะเช่นคิดอาฆาตพยาบาทคิดอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนอนคิดฟุ้งสั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยคิดไปทําอะไรมันได้อะไรนะก็บรรเทาความคิดนี้ตงไหนสบ้างอย่ามันเกิดรุนแรงแล้วก็พยายามห้ามใจข่มใจตัวเองจากอารมณ์เหล่านี้ซึ่งว่าจริงแล้วเนี่ยตรงนี้ควบคุมนะฮะ ครุมอาการทางกายทางวจชาทางใจของบุคคลได้ตลอดเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงใช้คำวัาอภิเศนธรรมคือธรรมะที่เหมือนกับพนักอิงนะเป็นเหมือนพนักอิงก็ใช่ปัญญา น, นำแล้วก็คุมความคิดนะฮะคุมตัวความคิดของเราเองที่จริงก็คืออยู่ในโพสสมาสังกปะนัน่นแหละแต่ว่าทรงแสดงไว้โดยอีกปริยายหนึ่งกฝังแต่ไร ใารวมพัวพยาในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูนในธรรมยงมีแต่ท่านผู้ฟังหลายด้วยทั่วกันสวัสดี